วิญญาณเฮียนหมู่บ้านผีปอบสัมผัสสยองครอบครัวของนิวมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดคนคือนิวพ่อแม่น้องชายตา ยายและน้าผู้ชายอีกสองคนตอนนั้นนิวอายุ16เรียนอยู่ชั้นมสี่ยายของนิวป่วยมานานแล้วทั้งเบาหวานโรคไตและโรค อ, อื่นอีกหลายโรคทางครอบครัวพยายามดูแลพายายไปรักษาตลอดจนกระทั่งหมอได้บอกว่ายายอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง1ิบวัน ครอบครัวของนิวจึงพายายกลับบ้านที่อยู่ทางภาคอีสานตอนนั้นที่หมู่บ้านของนิวลือกันว่ามีผีปอบออกอารวาดเพราะคนในหมู่บ้านตายบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่บางคนก็แค่ป่วยเป็นไข้นิดหน่อยหรือบางคนดูปกติไม่เจ็บป่วยอะไรแต่อยู่ๆก็เสียชีวิตไปคนในหมู่บ้านจึงลือกันว่าเป็นฝีมือของผีปอบ เมื่อครอบครัวกงนิวพายายกลับมาอยู่ที่บ้านจากเดิมที่ยายเคยนอนชั้นบนเมื่อยายเดินไม่ใคยได้จึงเปลี่ยนให้ยายมานอนที่ชั้นล่างคนในครอบครัวช่วยกันสลับสับเปลี่ยนมานอนเฝ้าดูแลยายจนเวลาผ่านไปเดือนกว่า ท, ทั้งทั้งที่หมอบอกว่ายายอยาก จ, จะอยู่ได้แค่สิบวันแต่ยายกงนิวมีอาการดีขึ้นกินข้าวได้ พูดคุยหัวเราะได้แต่ก็ยังเดินเหินไม่ถนัดนักคืนหนึ่งขณะที่นิวกับน้องชายอยู่ชั้นบนของบ้านส่วนพ่อแม่และตานอนอยู่กับยายที่ชั้นล่างน้าอีกสองคนกลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วส่วนนิวนอนบนเตียงเก่าของยายกับตาเมื่อครั้งที่ยายยังไม่ป่วยยายกับตาก็นอนที่เตียงนี้ ตรงหัวเตียงเป็นหน้าต่างไม้คืนนั้นฝนตกหนักทำให้ไฟฟ้าดับพอฝนหยุดไฟฟ้าก็ยังไม่มานิวและน้องชายจึงเปิดหน้าต่างนอนเพราะอากาศร้อนอบอ้าวพอนอนหยุดสักพักก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างในขณะที่นิวกําลังเคลิ้มจะหลับเธอหันไปมองทางหน้าต่างกลัวว่าฝนจะสาดเข้ามาในห้อง หันไปดูน้องชายก็เห็นว่าหลับสนิทดีเธอจึงกลับไปนอนต่อสักพักนิวก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆ ก, กับผู้หญิงคุยกันว่าอ้าวไหนบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ไงยูซี่มันอยู่ที่นี่แหละฉันรู้ฉันได้กลิ่นลูกหลานมันคงเฝ้าไว้เราเลยมองไม่เห็น แล้ววีนูกับไอ ห, หนูนี่ล่ะอย่าไปใกล้มันปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวพอพวกมันเผลอเราค่อยมาทีตอนนั้นนิวครึ่งหลับครึ่งตื่นเธอกลัวมากพยายามลืมตาดูว่าเป็นใครแต่ก็ทำไม่ได้จนเธอเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวตื่นมาได้ตอนเชา้าเธอก็อาบน้ำไปโรงเรียนตามปกติ อาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงสอบนิวก็เลยใจจดใจจ่อกับการสอบจนลืมเรื่องเมื่อคืนไปเสียสนิทเธอเดินลงมาข้างล่างเตรียมตัวจะไปโรงเรียนเห็นว่าแม่ป้อนข้าวยายอยู่สีหน้ายายดูเหนื่อยหนึ่งชอบกลแต่ก็ยังยิม้มแล้วบอกกับนิวว่าขอให้ตั้งใจสอบนิวจึงถามว่ายายอยากกินอะไรไหมสอบเสร็จจะซื้อมาฝาก ยายก็บอกว่าอยากกินข้าวเหนียวปิ้งพอสอบเสร็จนิวก็กลับมาหายายและซื้อขนมข้าวเหนียวปิ้งมาให้ยายด้วยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนิวกำลังป้อนขนมยายอยู่ส่วนพ่อกับแม่กำลังจะออกไปดูข้าวในนาเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักต้องออกไปดูว่าน้ำจะท่วมข้าวหรือเปล่า นิ้วจึงอยู่กับยายแล้วก็ตาสามคนพอยายกินข้าวเสร็จแกก็นั่งพักนิ้วเช็ดตัวทำความสะอาดและปูที่นอนให้คิดว่าจะรอให้ยายย่อยอาหารสักพักแล้วค่อยพาเข้านอนพอตาเดินเข้าไปในครัวนิ้วก็บอกให้ยายนอนรออยู่ก่อนจะขอขึ้นบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขณะที่เดินขึ้นบันได นิวมองไปทางยายที่นอนอยู่เห็นแก้หายใจแปลกๆแต่เธอก็ไม่คิดอะไรคิดว่าคงเป็นเพราะยายหายใจแรงประกอบกับท้องแกเริ่มบวมเวลาหายใจท้องแกจะดูพองๆผิดปกติเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนิ้วลงมาก็เห็นตายังอยู่ในครัวจึงเดินไปหายายเห็นยายนอนอยู่บนฟูกแค่ช่วงบน ส่วนช่วงเอวลงมาจนถึงขาอยู่บนพื้นนิวเลยคิดจะปลุกให้แกขยับตัวขึ้นมานอนบนฟูกเธอเรียกยายแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆนิวเรียกยายอีกสามสี่ครั้งยายก็ไม่ตื่นแกนอนหงายเอาแขนปิดหน้าไว้นิวเริ่มใจคอไม่ดีตอนนั้นพ่อกับแม่กลับมาพอดีแม่จึงถามว่ามีอะไร นิวบอกแม่ว่าปลุกยายแล้วยายไม่ตื่นแม่ก็เลยรีบวิ่งมาดูมาปลุกยายเหมือนกันแต่ก็เงียบสุดท้ายแม่เรียวแขนที่ปิดหน้ายายออกก็ปรากฏว่ายายไม่หายใจแล้วดวงตาของยายนั้นหลับสนิทริมฝีปากคล้ำจนเป็นสีม่วงจึงได้รู้ว่ายายเสียแล้ว นิ้วเสียใจมากที่ปล่อยยายไว้คนเดียวแล้วคนในครอบครัวก็ช่วยกันทำความสะอาดตัวแล้วตั้งศพยายไว้ที่บ้านซึ่งตามประเพณีของคนอีสานจะไม่นิยมตั้งศพไว้ที่วัดคืนแรกงานศพผ่านไปด้วยดีแต่มีติดขัดบ้างเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนหายุเขา้าฝนตกหนักไฟฟ้าดับ ทำให้บรรยากาศตอนกลางคืนน่ากลัวมากแต่นิวไม่กลัวยายเลยเธอนอนเฝ้าใกล้ๆลงศพของยายตลอดเวลาระหว่างที่พราสวดอยู่ที่บ้านเล่าลูกหลานจะมีหน้าที่นำถาดอาหารที่มีอาหารคาวหวานจุดเทียนหนึ่งเล่มแล้วโรยขี้เท่าไว้ตรงถาดนำไปวางไว้ใกล้ๆกับลงศพโดยมีความเชื่อว่า ถ้าหากวิญญาณคนตายมากินของที่เราวางไว้ก็จะทำให้เกิดรอยบนกีตาร์ระหว่างนั้นต้องคอยดูไม่ให้เทียนดับนิวกับน้องชายและเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนได้รับหน้าที่นี้พอพละสวดไปได้สักพักเพื่อนก็อุ้มน้องเล็กๆประมาณสองขวบมาให้นิวช่วยอุ้มบอกว่าแม่ของน้องไม่อยู่ให้นิวช่วยดูน้องด้วย นิวก็เล่นกับน้องไปดูเทียนไปสักพักน้องก็ชี้ไปที่ถาดกับข้าวแล้วเรียกยายยายยายยายแม่กินข้าวที่น้องคนนี้รู้จักยายก็เพราะว่าตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่แม่ของน้องชอบเอามาฝากเลี้ยงที่บ้านอยู่บ่อยๆยายชอบเด็กอยู่แล้วจึงสนิทกัน ตอนนั้นนิวก็พยายามมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรส่วนน้องก็มองไปยังบริเวณถาดข้าวและเรียกยายอยู่ตลอดจนเสร็จพิธีเมื่อนิวเดินไปเก็บสำรับก็เห็นขี้เท้ามีรอยคล้ายกับคนเอามือมาเขียเป็นเส้นๆ น, นิวตกใจมากเพราะเป็นคนโรยขี้เท้าเองกับมือและยังเป็นคนนั่งเฝ้าตรงนั้นอยู่ตลอดไม่มีใครมาตรงนั้นเลย แต่รอยบนกีเท่าเกิดขึ้นได้ยังไงนิวจึงรีบเอาไปให้แม่กับคนเท่าคนแก่ดูเขาก็บอกกันว่ายายคงมากินข้าวที่เราเตรียมไว้ให้ซึ่งมันทำให้นิวแปลกใจมากหลังจากนั้นทางครอบครัวก็ตั้งศพยายไว้ที่บ้านสามวันแล้วจึงเผาตลอดพิธีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ มันมาเกิดหลังจากงานศพได้ไม่นานหลังจากงานศพของยายสามสี่วันก็เกิดมีผีเข้ายายคนหนึ่งที่อยู่บ้านในละแวกเดียวกันแกชื่อยายสาจะว่ายายสาเป็นคนจิตอ่อนก็ไม่ทราบได้เพราะแกถูกผีเข้าบ่อยมากครั้งนี้ก็เช่นกันจนชาวบ้านลือว่าผีที่เข้าแกเป็นผีปอก ซึ่งเป็นผีปอบของคนในหมู่บ้านที่เล่นของแล้วเอาไม่อยู่ชาวบ้านแถวนั้นก็รู้ด้วยว่าเป็นใครส่วนนิวเองก็ตามไปดูขณะที่หมอผีทำพิธีขับไล่อยู่นั้นนิวก็เห็นยายสาถูกชาวบ้านจับไว้แล้วเอาแห่คลุมทั้งร่างจนแกร้องโวยวายแกพยายามนับตาแหว่ามีกี่ตาเพราะชาวบ้านคู่ว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นใคร มาจากไหนก็ให้นับตาแหว่ามีกี่ตาแล้วจะปล่อยออกไปยายสาก็พยายามนับใหญ่นับหนึ่งสองสาสไปจนถึง17แล้วก็กลับมานับหนึ่งใหม่แกทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบผีปอบบอกว่าอยากจะออกจากร่างยายสาแล้วเพราะทนไม่ไหวตาลาย แล้วก็เจ็บจากการถูกตีด้วยว่านไฟสุดท้ายแกก็ยอมบอกว่าเป็นใครมาจากไหนอาศัยอยู่กับคนที่เล่นของในหมู่บ้านนี้อยู่มานานมากกินคนในหมู่บ้านหลายคนแล้วเมื่อหมอผีถามว่ามีใครบ้างผีปอบก็บอกชื่อตายายในหมู่บ้านที่ตายไปแล้วประมาณสิบกว่าคนได้หนึ่งในนั้นก็มีชื่อายายของนิวรวมอยู่ด้วย และบอกได้ว่ากว่าจะกินยายของนิวได้ต้องใช้เวลามากเพราะลูกหลานเยอะเข้าไปกินไม่ได้ต้องรอเวลาให้ลูกหลานเผอแล้วก็เข้าไปหักคอกินพอนิวได้ฟังก็ขนลุกเพราะตอนยายเสียคอของยายอ่อนมากอ่อนจนมีเสียงกระดูกลั่นกรอบแกลบตอนที่นิวทําความสะอาดเปลี่ยนชุดให้ยายเธอยังสงสัยอยู่เลยว่า ทำไมคอของยายถึงมีเสียงเพราะยายนอนตายนิ่งๆคอก็ไม่ได้กระแทกอะไรแล้วผีปอบก็ยังบอกอีกว่าคนนั้นกินอร่อยคนนี้กินไม่อร่อยส่วนใหญ่คนที่มันบอกว่ากินอร่อยจะป่วยเป็นโรคเสื่อมจากข้างในอยู่แล้วเช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดช่วงที่ผีปอบอารวาดหนัก พกชาวบ้านต้องลงขันกันจ้างหมอผีมาทำพิธีกันบ้านกันเรือนกันไม่ให้ผีหรือสัมภเวสีเข้ามาในบริเวณบ้านได้ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบชาวบ้านก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีหลักฐานจะไปกล่าวหาเฉยๆก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าชาวบ้านบางคนจะไม่เชื่อ แต่ก็ยอมทำพิธีป้องกันบ้านไว้ก่อนเพื่อความสบายใจพอยายของนิวเสียได้ประมาณสองอาทิตย์ครอบครัวของนิวก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแต่น้องชายของนิวจะกลัวยายมากตอนนั้นน้องชายอยู่ปห้า อ, อายุประมาณ11บเขวบไม่กล้านอนคนเดียวจึงขอมานอนที่ห้องนิวตลอดหลังจากที่ยายเสียนิวก็ย้ายมานอนที่ชั้นล่าง น้องก็ยังตามมาขอนอนด้วยอีกพ่อกับแม่ของนิวนอนที่ชั้นบนนิวกับน้องชายจะนอนบนเตียงด้วยกันที่ชั้นล่างกลางมุ้งไว้เพราะที่บ้านมียุงชุมนิวนอนชิดขวาติดกำแพงส่วนน้องนอนฝั่งซ้ายตรงปลายเตียงจะเป็นชุดเครื่องเสียงทีวีเยื้องมาหน่อยจะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แล้วก็ประตูห้อง คืนนั้นน้องชายไม่ค่อยสบายซึ่งน้องของนิวจะป่วยอยู่บ่อยๆเพราะค่อนข้างอ้วนมากอายุ11ขวบแต่หนักประมาณ80กิโลกรัมแม้ในปัจจุบันนี้อายุจะ25แล้วแต่ก็ยังหนักถึง120กิโลกรัมเวลาเป็นหวัดหรือเป็นไข้น้องจะนอนลำบากมากตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่ มักจะเป็นห่วงอาการป่วยของน้องชายอยู่เสมอคืนนั้นนิวอาบน้ำเปิดทีวีดูตามปกติส่วนน้องชายกินยาแล้วก็นอนพักเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนน้องนิวจึงปิดไฟในห้องหมดทำให้ในห้องมีแสงจากทีวีและแสงไฟจากนอกบ้านลอดเข้ามาบ้างเท่านั้นพอดูทีวีได้สักพักนิวก็รู้สึกง่วง แตกใจหนึ่งก็อยากดูทีวีต่อจึงตั้งเวลาปิดเอาไว้แล้วนิวก็พลอยหลับไปพอนอนไปได้สักพักก็ตื่นขึ้มาดูน้องอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงไอหนักมากตอนนั้นทีวีปิดไปแล้วแต่ยังมีแสงจากข้างนอกรอดเข้ามาพอทาให้มองเห็นได้อยู่บางเมื่อนิวมองดูน้องแล้วเห็นว่าไม่เป็นอะไรจึงนอนต่อ แต่คมตาไม่หลับสักทีนิวจึงนอนพลิกตัวไปมาอยู่หลายครั้งหลังจากนั้นประมาณ10บนาทีได้นิวก็หันไปมองที่ทีวีแม้ว่าจะตั้งเวลาปิดไปแล้วแต่เธอก็คิดว่าจะปิดทีวีด้วยรีโมทซ้าอีกครั้งขณะที่กําลังควานหารีโมทอยู่นั้นสายตาก็าไปสะดุดกับอะไรบางอย่างคลายผ้าอยู่ทางฝั่งที่น้องนอน ห่างไปไม่เกินสามเมตรนิวพยายามเพ่งมองให้ชัดว่าคืออะไรแต่ติดที่ต้องมองผ่านมุงทำให้มองเห็นไม่ถนัดนักเมื่อนิวเพ่งมองดูสักพักก็เห็นผ้าถุงสีฟ้าทัดขึ้นไปก็ดูคล้ายเงาคนกมกมๆเงยๆ เ, เหมือนพยายามจะเข้ามาในมุงนิวตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองร่างนั้น ถึงแม้ว่านิวจะขยับตัวได้แต่พยายามเกรงตัวอยู่ให้นิ่งเพราะกลัวว่าร่างที่อยู่นอกมุงจะรู้ว่าเธอมองอยู่เพราะผ่านไปสักห้านาทีได้เงานั้นก็ค่อยๆลอยมาหานิวอย่างเงียบเงียบแล้วมาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงตรงกับที่นิวนอนอยู่พอดีมันทำให้นิวเห็นชัดเจนเลยว่าเงาที่เห็นนั้นเป็นยายนั่นเอง ใส่ผ้าถุงสีฟ้าไม่เห็นเสือ้อเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอแต่เมื่อมองดูรูปร่างโดยรวมแล้วเงานั้นก็คือยายของเธอแน่นอนทั้งสองมองกันผ่านมุงนิวได้แต่นิ่งไม่กลัวแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงสับสนว่าจะทักดีหรือเปล่าพอมองกันได้สักพักใหญ่ยายก็ค่อยๆถอยห่าง ออกไปทางประตูแล้วก็หายไปนิวลุกขึ้นนั่งด้วยความสับสนพยายามคิดว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรแล้วจูจ่ๆน้องชายก็เปิดไฟหัวเตียงถามว่าเป็นอะไรนิวตอบว่าไม่มีอะไรให้นอนกันต่อแต่น้องก็ไม่ยอมนอนถามตลอดว่าเห็นอะไรนิวก็งงว่า ทำไมน้องเสาซีไม่ยอมหยุดจึงบอกน้องว่าพรุ่งนี้เช้าจะเล่าให้ฟังน้องถึงยอมนอนก่อนจะนอนนิวหันไปดูนาฬิกาเวลาในตอนนั้นก็จะตีหนึ่งแล้วพอถึงตอนเช้าแม่ก็ลงมาปลุกเด็กๆที่ชั้นล่างขณะที่นิวกํำลังจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้แม่ฟังแต่ก็ถูกแม่ถามก่อนว่าเป็นไงบ้างเมื่อคืน เจออะไรบ้างหรือเปล่านิวแปลกใจว่าแม่รู้ถึงเหตุการณ์เมื่อคืนได้ยังไงแล้วแม่ก็เล่าว่าเมื่อคืนขณะที่แม่นอนอยู่แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เห็นยายมานั่งอยู่ข้างๆมงุงมาปลุกให้แม่ลงไปดูน้องชายหน่อยยายบอกว่าน้องไอทั้งคืนกลัวจะหอบคืนยายไปดูมาแล้วน้องไอ้ใหญ่เลย ยายบ่นว่าทำไมแม่นอนขี้เซราไม่ยอมไปดูลูกแต่ตอนนั้นแม่ง่วงมากก็เลยตอบยายแบบง่วงว่าอ่าอ่าแล้วจะไปดูจากนั้นแม่ก็หลับไปนิวจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังตอนเล่าน้องชายก็ฟังอยู่เงีบเยบๆไม่พูดอะไรแม่บอกว่า ยายแกคงเป็นห่วงก็เลยมาหาอยากกลัวยายเลยหลังจากนั้นนิวจึงชวนแม่ไปทำบุญให้ยายที่วัดแต่ก่อนจะไปก็ไม่ลืมที่จะพูดแซวน้องชายว่าแกน่ะนอนขี้เศรายายเป็นห่วงยายมาหาแกก็ยังหลับได้แต่น้องชายกลับบอกว่าใครบอกว่าหลับน้องน่ะตื่นตั้งแต่พี่นอนพลิกไปพลิกมาแล้วตอนที่ยายก้มาดูน้อง น้องเห็นหน้ายายแบบชัดเจนเลยละ่ะแต่เพราะกลัวยายมากทำอะไรไม่ถูกก็เลยแกล้งทำเป็นหลับตั้งหากสัมผัสสยอง